ชีวิตบนโลกใบนี้มีสุขมีทุกข์คละเล้ากันไปเมื่อมีวันล้มเหลวก็จนต้องมีวันประสบความสาเร็จบางทีตอนนี้อาจจะดูย่แย่แต่หากต่อสู้และแก้ไขก็ยอมประสบความรุ่งโรจน์ได้ชีวิตของมนุษย์ทุกคนจะเกิดมายังไงก็ต้องพบกับอุปสรรคและความยากลำบาก อย่างที่ไม่มีวันหลีกเลี่ยงได้ไม่มีหนทางสายไหนที่รอยด้กรีบคุลาบล้ว น, นชีวิตต้องมีการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาอยู่เสมอไม่มีชีวิตใดที่ได้รับในสิ่งที่ต้องการมาอย่างง่ายไดอุปกระจาจธรรมชาติของชีวิตยอย่างนี้แล้วหากมีปัญหาใดเกิดขึ้นก็จะได้โดนสรุป หรือตระนกตกใจจนเกินเหตุให้รู้จักใช้สติใช้ปัญญาและสงบใจโดยการหยุดนิ่งใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นประจมสมำสม่ำเสมอเพราะตรงนี้แหละคือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จพร้อมกับความสุขอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะจ๊ะพระสัมมาสมุทเจ้า ตราดไวในคุตตกกนิกายธรรมบทว่าณนะตังกัมมังกตังสาทุยังกตะวาอนุตตะปฏิยัสสะอัตสุมุโขโรทงังมิปา ก, กังปฏิเสวติบุคคลทำกรรมใดแล้วย่มเดือดร้อนในภายหลังเป็นผู้มีหน้าชุมในน้ำตาร้องไห้สวยวผลของกรรมใดอยู่ กรรมนั้นชื่อว่าเป็นกรรมไม่ดีการกระทาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นบุญหรือบาปใช่ว่าพอทำไปแล้วจะส่งผลให้เห็นในทันทีทันใดถึงแม้ยังมองไม่เห็นผลของกรรมที่จะเกิดขึ้นเพราะกรรมบางอย่างส่งผลในภพชาตินี้บางอย่างส่งผลในภพชาติต่ อ, ตอไปเหมือนเราทานอาหาร ที่มีสารพิษตกค้างอยู่ในร่างกายลำพังวันสองวันสารพิษติตกค้างในร่างกายนั้นจะไม่แสดงปฏิกิริยาให้เรารู้ต่อเมื่อนานวันเข้าเป็นเดือนเป็นปีและหลายหลายปีเราจึงรู้ว่าที่เป็นโรคมะเร็งก็ดีโรคภูมิแพ้ก็ดีแล้วเกิดจากสารพิษติตกค้างในร่างกายเป็นต้น ในทํานองเดียวกันขอเราเชื่อมั่นว่ากรรมดีทุกอย่างที่เราทำไม่ว่าจะเร็วหรือช้าจะมีความสุขความสบายใจเป็นผลส่วนกรรมชั่วที่ทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก็มีความทุกข์ทรมานเป็นผลกรรมตอบแทนจาไม่เร็บแก้ไขก็าสายเกินแก้ การจะกลับมาเริ่มต้นใหม่เพื่อสั่งสมบุญก็ตนเองอีกครั้งก็ต้องใช้เวลาอีกยาวนานเพราะบาปกรรมที่เราทำลงไปนั้นแม้จะมีเจตนาหรือไม่มีเจตนาก็ตามจะส่งผลเป็นวิบากที่ยาวนานเกินกว่าที่เราคาดคิดไว้เสียอีกเหมือนการเสวยวิบากกรรมมันเผ็ดอร้อนในมหานรกและอุสุธนนรก ของสัตว์นรกที่หลวงพ่อได้นำมาเล่าสู่กันฟังติดต่อกันหลายวันแล้วซึ่งเมื่อวานนี้เราก็ทราบแล้วว่ามหานรกขุมหนึ่งหนึ่งจะมีอุตสัตนรกตั้งอยู่ด้รอบทั้งสี่ทิศทิศละสี่ขุมรมเป็นสิบหกขุ ม, มอุรรมุตสัตนรกที่เป็นบริวารทุกขุมแล้ว จะมีจำนวนทั้งหมดหนึ่งรอยี่สิบแปดคุมอุสธันรกทั้งสี่คุมในทิศหนึ่งหนึ่งมีชื่อเรียกว่าคูณนรกกุกุรานรกอสีปัตตนรกและเวตรลีนรกอีกทั้งเราก็ได้รับทราบถึงลักษณะการถูกลงทันตรมานในคูนนรกกุกุรานรกและอสีปัตตนรกกันแล้ววันนี้ เราจะมารับฟังทุกข์ในเวทารณีนรกกันต่อเลยนะจ๊ะขุมที่สเวตรารณีนรกนรกแม่น้ำเค็มมีหนาไห ว, วายประัต์นรกพ้นจากกำแพงของอสิปัตนนรกสัตว์นรกที่ยังมีอกุศลกรรมเหลืออยู่ถึงแม้จะหลุดพ้นจากนรกป่าไม้ดาบแล้วก็ยังไม่หมดสิ้นการทรมาน จะต้องมาสู่นรกขุมนี้อีกซึ่งเป็นนรกขุมบริวารอันดับที่สี่อยู่ติดกับอาิปตะนรกลักษณะของเวทารณีนรกจะมีน้ำเค็มแสบตั้งอยู่ชั่วกับมีเกลือไหวหนาเหล็กล้อมอยู่ในรอบเป็นขอบขันจะมีดาวทุมผุดบานลอดจใจชวนชมเมื่อสัตว์นรกเห็นแล้วก็เข้าใจว่าเป็นม่น้าใสสะอาดเย็นสนิท หน่าอาบหน่าดื่มกระพากันดีอกดีใจหวังจะอาบดื่มกินให้สบายจึงวิ่งกราหาด้วยความเร็วกระจรลงไปใ น, นเม่นนะ้าตันใดนั้นเองเครือไหว้เหล็กเสีงคมเหมือนหอกเหมือนดาบกระบาดร่างกายทำให้เป็นแผลในน้ำเข็มทั้งเจ็บทั้งแสบแล้วเกิดเป็นแปลไฟลุกไหม้เผาร่างกาย เผาตั้งตั้ที่อยู่ในแม่น้นํานั่นเองจนไม่เกรียมเหมือนกับต้นไม้ที่ถูกไฟเผาบางตน้นร่างก็ห้อยอยู่เป็นเครือหนามไม่ช้าร่างก็ร่วงตกลงไปโดนดอกบัวเหล็กที่มีกลีบแหลมคมเป็นกรดซึ่งตั้งอยู่กลางน้ําเค็มมีเปลวไฟติดอยู่ตลอดเวลาใบบัวเหล็กแดงกระ บ, บาด ร่างกายขาดวินสัตว์นรกคิดว่าถ้าดำลงไปในเม่นน้ำที่ลึกกว่านี้คงจะหลุดพ้นจากการทรมานจึงกลั้นใจดำน้ำลงไปแต่แล้วกลับถูกคมดาบซึ่งอยู่ใต้น้ำบาดเอาทำให้เจ็บปวดแสนสาหัสเท่านั้นยังไม่พอยังถูกนายนริยบาลเจาะหลาเหลาแฉช่วงแทงเอา เหมือนกับมนุษย์ใช้จมูกแทงปลาในน้ำอย่างนั้นจากนั้นนายนริยาบาลก็เอาเบ็ดนรกเกี่ยวลากสัตว์นรกขึ้นมาจับให้นอนหงายบนแผ่นเหล็กแต่นั้นก็เอาแฉลงเหล็กงัดปากเอาก้านเหล็กซึ่งกำลังลุกโชนยัดใส่เข้าไปในปากปากก็ไหมตกไปถึงคอคอก็ไหมตกไปถึงท้องก็ไหมลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กให้ทะลักออกมา สัตว์นรกกรร้องครวญครางครั้นนายนริยบาลนิสสัตว์นรกกร้ อ, รรองครวญครางก็ทําเหมือนกับว่ามีใจโกรนาจึงร้องถามไว่าท่านอยากกินอะไรน้ำํำขปเ จ, จ้ากระหายน้ำเหลือเกินเหล็กแดงนี่ร้อนนักท่านใดนั่นเองนายนริยบาลจะเอาน้ําทองแดงที่กําลังเดือดมากรอกใส่ปากสัตว์นรก พอน้ำถึงปากปากกระพุพองพังทลายพอน้ำถึงคอถึงท้องคอถ้าท้องก็หลอมละลายพอตกถึงลําไส้ลําไส้ใหญ่น้อก็ขาดก็เจยก็ใจต้องสวอยทุกขเวทนาอันแสนเจ็บปวดอยู่อย่างนั้นฉันก็จะสิ้นกรรมแต่ว่กรรมมาบางแล้วก็ต้องไปตัดสินคดีในยมโลกต่อไปเมื่อกล่าวถึงยมโลก มักเป็นการคุ้นหูกันพอสมควรถึงชาพุทธและในหมู่คนไทยเรามีปรากฏกด้เห็นตามผนังโบสถึงจะมีภาพวาดการทันทรมานสัตว์นรกในเหล่าเจ้าหน้าที่ในโยมโลกและที่สร้างความสนใจให้คนจำนวนมากคือการนำเรื่องราวของโยมโลกมาทำเป็นละครทีวีรองเรื่องใหญ่เป็นลักษณะ การตัดสินบุญบาปของคนในครั้งยังเป็นมนุษย์ทำให้คนไทยรู้จักย ม, มโลกกันมากขึ้นจะถึงอย่างนั้นก็ยังมีคนอีกมากไม่เชื่อว่าย ม, มาโลกมีจริงผู้ที่ไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์ยังมีอีกมากที่ไม่เชื่อไม่สองอย่างคือเราคตดว่าพิสูจน์ไม่ได้ไม่เคยเห็นเป็นเรื่องกูกขึ้นมาหลอกกันเฉย เขาที่ไม่เชื่อเพราะไม่อยากให้มีนรกจริงๆเนื่องจากกลัวว่าบาปกรรมที่ตัวเองทำเอาไว้นั่นแหละจะตามมาส่งผลให้ตัวเองต้องไปตกนรกเหมือนที่ผูรู้ทั้งหลายกล่าวยืนยันไว้ความจริงแล้วเรื่องย ม, มโลกนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสงกนพพเดียพุทธญาณนนบริสุทธิ์และนำมาตราาัสล่าพุทธบริษุทได้ฟัง จมีปรากฏในพระตรปิดกมากมายภายหลังพระภิกษุสง์ได้นําเรื่องราวเหล่านั้นมาให้ช่างวาดเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังติดตามสาลาการบเรียนบ้างตามผนังโบสถ์บ้างเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติไม่ให้คนทําบาปและเนื่องจากยมโลกมีความพิเศษที่หลากหลายความมหานรกและอุสธรรรก เพาเป็นสถานที่วินิจฉัยบุญบาปของสัตว์นรกและลงโทษสัตว์นรกที่มาจากมหารนรกผ่านอุสัทนารกมายังย ม, มโลกนอกจากนี้ยังเป็นสถานติ่ตัดสินบุญบาปของผู้ติดตาจากเมืองมนุษย์ที่มีลักษณะของใจไม่หมองไม่ใสอีกด้วยปฏิเสธเสร็แล้วก็จะส่งไปตามภพภูมิต่างๆไปเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเปรตอสุรกาย ใครจะไปบายหรือสวรรค์และแต่บนและบาปที่ตัวเท่านั้นแหละยมโลกจะทําหน้าที่ข้าราชการในเมืองมนุษย์เราอาจจะถือว่ายมาโลกเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อระหว่างพบมนุษย์กับพบอื่นๆก็น่าจะได้นะจ๊ะและรองรับสันนที่มาจากมหานรกและรองรับรายละเอียดที่ตายจากมือมนุษย์มาตัดสินบุญบาป แล้วก็ท่งต่อไปเกิดในภพภูมนินต่างๆนั้นกล่าวแต่นั้นเนื้อหางยมโลกยังมีรายละเอียดมากกว่ามหานรกและอุสธรรนรกการเดินทางไปสู่ยมโลกเป็นสองทางใยการคือหนึ่งเดินทางในการตาจากเมืองมนุษย์ผู้มีจิตไม่หมองไม่ใสบุญไม่ชัดกรรมไม่แจ้งก็จะต้องไปยมโลกซึก่อน สองเดินทางจากมหานรกมาอุสทันนรกแล้วก็ผ่านมายังย ม, มโลกสวหรับการเดินทางผู้ตายจากเมืองมนุษย์หรือจากมหานรกจะมีรายละเอียดที่น่าศึกษากันอย่างไรบ้าง น, นั้นกายมาติดตามรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้หลวงพ่อขออนยพรให้ทุกท่าน เอาสอบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีสุขภาพพระนามหมสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้สร้างบารมีกันเป็นนานให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครวัวแก้วครอบครวัวธรรมกายครอบครวัวตัวอย่างของโลก มีดวงปัญญาสว่างสวยัยขาถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเถิด